ตัวชีวิตเรากรักสุขเกียดทุกข์รักสุขแล้วเกลียดทุกข์แต่ของเราจุมชนี้เราสุขทุกข์มาศึกษากันเอาประโยชน์จากความสุขเอาประโยน์จากความทุกข์มาศึกษากายศึกษาใจ จนเห็นกายเห็นใจเป็นธรรมชาติมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมามากมายไม่ได้มาอาเป็นสุขมาเป็นทุกข์เป็นธรรมชาติที่มีอยู่เหมือนกันทุกคนเป็นสภาพทุกข์สภาพทุกข์ เมื่อกี้ที่เราสวดกันมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนๆกันทุกคน ต, ออต้องหิวต้องกระหายต้องขับถ่ายต้องร้อนต้องหนาว หาอาหารควนขวายใส่ปากใส่ท้องมันเป็นอาการทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราตรงเย็นต้องร้อนห่อนแข็งหนะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเราได้สัมผัสได้รู้เท่ารูทา้ทัน ทุกที่เกิดจากขันหน้าที่เราไม่ได้เห็นเป็นความบรสุดธิหลงก็ไปยึดลงก็ไปอยู่หลงก็ไปโดยไม่รู้เท่ารู้ทันตามอาการที่เราดึงดูดไม่หยิบไม่ได้หยิบ ม, มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็คือเอาเป็นตัวปัญญาเอาเป็นตัวผ่านผ่านทุกที่สุดแห่งทุกมันก็เป็นอาการธรรมชาติธรรมดาเหมือนกันทุกค น, นสามลักษณะทุกที่เกิดขึ้นพอเราคิด พัดปลากจากของรักของชอบใจปัรถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรามีลาบเสริมราบมียศเสริมยศมีสุขมีทุกโลกธรรม8เราก็รู้เท่า ร, ารู้ทันได้ตาหูจงลิ้นกายใจของเรามันเป็นตะวาล มันก็นมีปัจจต่างๆม า, มากระทบมาสัมผัสตามธรรมชาติของโลกใบนี้นปฏิเสธไม่ได้ทุกมากมายแต่ก็ทุกแย่เป็นทุกกายทุกใจทุกในขันธ์มันเป็นอาการทุกที่มันเกิดมาเารื่องไตรลักษณ์แสดงออกมาเราไปไเอาความ ไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของชีวิตออมาเป็นความทุกข์เราเห็นล้นเป็นความไม่เที่ยงมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเจนธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมที่ประชมบกพร่องมาอะไก็เจ็บป่วยเราก็เห็นเป็นธรรมชาติ อาจจะไม่ต้องรองก็แล้วรู้เท่ารู้ทันไปอยากเยอะได้โดยยิ้มได้มาภัยมามันก็เป็นปัญญาทันทีถ้าเรารู้เท่า ร, า ร, รู้ทันรู้สึกตัวจริงๆไนะมันเองนะการจักอยากไมหาลเอียดมันก็เกิดการเดินทางขึ้นมา เป็นนักปฏิบัติที่สามารถเดินทางก้าวไปเรื่อยๆสู่ความพ้นทุกข์ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งุกครลางที่รู้สึกรู้เนื้อ ร, รู้ตัวตัวกายถ้าหลงเข้าไปก็เป็นทุกข์ตัวจิตตัวใจถ้าหลงเข้าไปก็เป็นทุกข์แต่ถ้าแยกแยกได้รู้สึกตัวเป็นมันก็พาเดินทางสู่การพ้นทุกข์ บางทีเราอาจจะขนไหวยดับทุกแก้ทุกเนีตามภพภูมิต่างๆเป็นเปรตเป็นสนกรกเป็นส่วร่างกายกายปฐมเป็นเทวดาเป็นพรหมมั น, นก็แก้ทุกตามกําลังของสติของปัญญาแบบรู้แล้วทำรู้แล้วหลงแล้วทํำมันก็มีกันอยู่อย่างรักสุบรักสุขแล้วก็ขนไหวย มีหน้าที่การงานเกิดขึ้นมามากมายเป็นงานปกครองอันนี้คเป็นความผาสุกปกครองจำเมื่อวานที่พูดที่สารนานาบอกพระว่าให้เดินรอบวัดมองนะมันมีกินฟันกินฟันเกิด ข, ขึ้นมาตอนเช้า มันเกิดมาเร่งั้งถึงอัางเคินก็นแดงในวัดบริเวณวัดมีไฟไหม้ตอนบ่ายเดินก็มีจริงๆมีไฟไหม้จริงๆไหม่ซ้ำสอง้ำสามน่นนะไฟไหม้แล้วไหม่อีกลามาพูดถึงการปกครองเออไปดูเองอันนี้ก็เป็นระนาของการรักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นภพภูมิเทวดาก็เปรียบได้เหมือนกับจจตมหมาราชิกาใช้กายวาจายใจปกครองกันดูแลกันให้เกิดสันสสนิษสานิภาพเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากสืบ่อดไปอีกยาวนานหรือว่า เป็นพบภูมที่เรียกว่าดวาดึงชั้นดวาวดึงก็แบ่งเป็นการงานอีกมากมายละเอียดเป็นความสวยงามความงดงามเป็นเทพเทวาทางอีกสามที่สามาก็ยอมนดกันนะม พวกรักสวยรักงามพวกดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้ยิงต้นไม้ใหญ่ให้ประโยชน์ให้ลมเนาไม่มีโทษเป็นเทพลารักไาอนุรักนั่นแหละดูแลน้ำดูแลลมดูแลไฟพระวิษนุดูแลงานก่อสร้างทั้งหมด เรือสีน้ำเงินนะพระวิูปพระวิจิโนเป็นเทพเทวะเจ้าเข่าทรงตั้งหลายก็องนั้นอ่างนี้อ่างโน่น น, น, น, น, น, น, น, นั่นก็คือพบผมที่คิดว่าทำแล้วจะมีความสุขรักสุขเกียรติทุกหรือว่าจันยามา เพเป็นเทพที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์แต่ว่าเทวดาก็ตกสวรรค์เป็นเมื่อหมดบุญความสุขก็หายไปเทวดาก็จึงโวยพรกันว่าเออถ้าตายปไปเมื่อก็เกิดเป็นมนุษย์นะลกมนุษย์มีสุขมีทุกข์มีการบรรลุธรรมแล้วพอจันดูสิกจันดูสินี่ก็ สวยสิริราชสมบัติของตนของตนมีทรัพย์สมบัติที่จะให้ความสุขพังพอมีมบริีวานนีมันก็เป็นอย่างนั้นนะไอ้ที่โพนี่คือเกิดในใจเราเนี่แหละมันมีปเปลี่ยรียดแยกย่อยลงไปลุ่มลึกลงไปทราบซึ่งลงไปแต่ว่าใหม่ๆ ม, มันไม่หารายละเอียดมัน มองเป็นอาการน้หมันการเดินทางที่เร็วที่สุดจะเดินผ่านน้ำมัมอได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความไม่ยึดหรือยึดแล้วก็ยึดเป็นยึดเป็นถือเป็นทำหน้าที่เป็นปล่อยวางเป็นทำดีไม่ต้องติดดีถ้าเกิดจะเค่อนไหวรู้สึกแต่ไม่ติดความรู้สึก รู้สึกตัวรู้สึกตัวเพราะนั้นเราก็ละชัวทํทำดีนั่นแหละชำระจิตให้ขาวรอบชั่วกระบผ่นไปดีกระแผ่นไปเอาประโยชน์มองเป็นสภาวะของธรรมชาติอาการที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะได้ เอาประโยชน์จากชีวิตของเราที่เหลืออยู่จนตังเป็นลล้วนะของพัฒนาการมีความกระยันอย่างยิ่งทำดีเพียรอยู่ตลอดจนเหมือนกับว่ามันมีความสุขอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราสุเวลาปฏิบัติเราก็จะได้เห็นเหมือนกัน พอจตสำนึำเกิดขึ้นมานะีไม่รังความคิดก็มีความสุขคิดถึงความดีของคนอื่นก็มีความสุขคิดถึงความดีของเราที่เราเคยทําก็มีความสุขมันจะคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ร้องขอไม่ได้ตั้งใจเพาว่ามันเป็นวิบากวิบากมันเป็นอานิสงส์กรรมดีมาคิดดีกรรมชั่วมาคิดชั่ว ทีนี้ทำมาแล้วนานขนาดไหนก็ตามพอมากวนรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็ฟุงขึ้นมามันเป็นตะกอนนอนก้นเลอะดํามาดําก็โผล่ทาบาปมาบาปมาแสดงออกมีบาปกรรมทําบุญมาทําดีมาดีมันก็แสดงออกเป็นอา น, นิสงส์ ว่าอาจินตกรรมทำเป็นนิสัยม่อเกิดเป็นคติกรรมคตินิมิตนิมิตก็แสดงออกมาในรูปรอยของการคิดใครเปบแบบแล้วเห็นเออแสดงว่ากำลังศึกษาเราเรียนมีตัวภาวนาจิตใจก็ยกสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นปฏิจจอยู่ยากลำบาก เป็นคนเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปคนแล้วคนอีกกวนแล้วกวนอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวอีกไม่หันหน้าหันตายไปทางไหนเพื่อจะเห็นลองรอยของกรนที่เราทํากันมายกขึ้นเป็นกรรมฐานขึ้นสู่ธรรมชาติจนเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้อง พอเราขึ้นมาชั้นดูสิปั๊บนะมันก็เสวยสุขมีสุขต่างๆมากมายจนเราทําอะไรก็ทําได้สร้างสรรนั่นนะเนี่ยตัวสร้างสรรเนี่ยก็เป็นเทวดามันกันละทํานั่นทํานี่ทำนู่นความคิดสร้างสรรค์พูดจาสร้างสรรการกระทาสร้างสรรค์นิมานนรดีเพร่สร้าง บางทีมีปัญญาสร้างตามเหตุตามปัจจัยบางทีมีปัญหาอยากจะทำเมื่อมีจังหวะก็ได้ทำเป็นพวกนิมันนรดีแต่พวกที่อยู่สบายไม่ต้องทำอะไรเลยสวยให้สุขมาลูกเดียวเลยเองทำค่าอยู่เองทาค่ากินเองทาไปเถอะ ข้าจะได้อาศัยปัจจสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างพระสงค์เนี่ยนะอยู่ให้เราเลี้ยงง่ายอยู่โดยไม่ต้องขนไกวหมายถึงอะไรก็เป็นกลุ่มของปรรัณิมินสวตัตตีมีพยามารสุรัสสวัสดีปกป้องขานำหนา้ากันอยู่เพื่อยังไม่พ้น ลักษณะของจิตใจที่เป็นเทพเทรียวานะมันจะคิดดีพูดดีว่าทำดีหาความสุขอยนะไรนั่นแต่ถ้าเป็นลนักษณะของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมานะแล้วเราเกี่ยวข้องมันก็ไม่เกี่ยวว่าดีหรือว่าไม่ดนะีมันเกี่ยวว่าสิ่งนี้มาให้เกี่ยวข้องเราจะต้องผ่านด้วยปัญญาข้างไหนของเรา ไม่มีสมมติไม่ยึดไม่ถือแตาสมมุติก็สมมติสัจจะรู้ว่าดีไปยังไงรว่วมีดีไปยังไงมันมีสัจจะความจริงอยู่การแสดงออกจากการคิดการพูดการทํามันมีอยู่เราเกี่ยวข้องโดยสติได้ปัญญารู้สึกตัวได้ามาใช้แน่นอนถ้ามีนงเหมือนคนมีตังค์ได้ใช้แน่นอนถ้ามีนงะถ้าไม่มีก็อยู่หิวเป็นเปรดไปเลย สอกสอกสอกส อ, อ, อ, อ, อ, อกกันเพราะนั้นร่องของธรรมะ ม, มันมีแน่นอนนะรองดีไปหาดีมันทำยังไงร่องไม่ดีไปหาไม่ดีดมันทำยังไงต้องมีกรอบมีกฎระเบียบยังไงนิตย์ในยังไงวิัย์ในยังไงตกลงรวมกันยังไงประชุมรวมกันแล้วก็ปฏิบัติตามซะร่องละเมอกระแล้วผิดศีลผิดธรรม ก็อยู่ยากเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องอยู่ในปัญญานั่งเดินยืนนอนมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยคือตัวปัญญาแต่ปล่อยเผลอไปหลงไปมันนำตามความคิดสะขาดสิ่งไหนอยากสิ่งนั้นเติมเรียกว่ามารมีแล้วมีมารนั่นแหละมารมันมีเมื่อมารมัน ม, ม, น ม, นมีมันก็ทุกข์หน่อย ประมาณกระชวนให้จิตเงาไหลลงตันเป็นเรื่องของการกินเกลียดอันนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันถ้ารู้ไม่ ท, ทันเกิดกระแสขึ้นมาราคะเกิดขึ้นมานี่ก็คือความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้ารู้จักหน้าที่รู้จักกรอบกฎกติกามีปัญญาเราได้ทําหน้าที่ แล้วก็มีเนือสมมติด้วยเหนไมีเหนือสมมติด้วยนะในโลกนี้มีสมมุติเต็มโลกเลยเราปฏิบัติธรรมในเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเราได้เห็นแล้วสมมุติเกิดที่ความคิดเนองความคิดของเราเราว่าดีความคิดของเขาเขาอาจจะว่าไม่ดีแต่ความเป็นจริงมันไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะเขาทินงทามาจริงนะโ อ, อรู้เขาพูดเสียงสว่าเสียง เมื่อยสตัตัวตนบุคคลเราเก่าแต่บางทีเขาว่ากูเอาตัวเราไปรับเต็มๆอัตตาไปรับเต็มๆ เ, เลยกลายเป็นทิฏฐิเป็นมานะเป็นชนชั้นต่งตางๆเป็นอหางการมองการความหญิงยญ้าโสอหางกวามยองคํามพองทรนงโอ้วหอันนี้เป็นเรื่องของความกลัว ม, มันกลัวขึ้นมานปฏิกิาเกิดขึ้นมาเมื่อไห่เป็นปเรื่องของความหงุดหงิดลำคาญฟุ้งซ่านกลัวเช่นเทวดาในกลัวก็ไม่ว่าดีกลัวอย่างเดียวเลยมินธาน่กลัวจริงๆเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นสารเสริญเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นชื่นชมแต่ก็จะ ม, มาอืมแ่งอือดีสวยฉลาด โอ้โฟูเลยนะปรนะเนี้หลวงพ่อชอบยอดมากหลวงพออ่อเรียนนะท่านชอบพูแล้วมันไม่มีศัตรกูการพูดดีเนะี่ยูไปเถอะมีต่คนลักดีไหมหลวงพอ่อโอ้ดีดีดีดีดดาวทำอันนี้ดีไหมดีดีดีดีมันมีแต่ดีฝ่ายเดียว จริงแล้วกฎของธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่สองทางสุดตรงแน่นอนทเรามีปัญญาเราเห็นมันมีสองทางแน่นอนมีสุขมีทุกข์มีขาวมีดำมีดีมีชั่วมีโบมีลมมันมีอยู่สุดตรงมีราคามีปฏิฆะมันมีมืดมนมีสว่างแน่นอน มีปัญญามีปัญหาคู่กันแต่พอเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วว่าอ๋อความเป็นปกติทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองนีอันนี้เป็นภาษาของอาจารย์โรตต า, าแล้วมันก็จริงซะด้วยให้เผื่อไว้ได้เลยมันไม่แน่คนหนุ่มคนสาวอาจจะตายก่อนคนแก่ก็ได้มันไม่แน่ คนแก่อาจจะตายทีหลังคนหนุ่มคนสาวก็วตายก่อนก็ได้มันไม่แน่เราก็เห็นแล้วโอมันเป็นกฎของธรรมชาติมันก็เป็นก็มันอยู่อย่างนั้นนะถึงเวลาจะตายก็ตายเห็นชาวสายตายเห็นสายบ่ายมวยเห็นบ่ายตกเย็นมรณาอะไรพวกนี้มันเป็นความไม่แน่ วิบวนี่ไม่แน่เลยนะนั่งเดินเยืนนอนมันเปลี่ยนของมันตลอดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดหลอกไม่แน่เราเลยรู้แล้วไม่ต้องไปมีปัญหากับอารมณ์ที่มากระทบทั้งตาหูจมุลิ้นกายใจหรืเปาพอเรื่มเป็นเพียงแค่อาการค ว, วามรู้สึกตัวมันทำให้เราเห็นนะฝ่ายดีไปไงฝ่ายไม่ดีไปไงความทุกคนไปยังไง แล้วก็ความไม่ทุกข์มันเป็นยังไงความไม่ทุกข์เกิยยดไปเยอะทําไมทําไมไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวกันดูฟูมไฟล์การแสดงออกเจ็บปวดน่าสงสารเวลาทุกขเวณาเกิดขึ้นมาอย่างเมื่อวานนี้ไม่ต้องทำนีมน่มลให้ไปโน่นบ้านอะไรโน่นอะไรกันไป แ, แล้วเสร็จแล้วมีคนไข้มาเลงเป็นมาเร็ง ไมช่องทองเมะเร็งในลไส้เสร็จแล้วลมันก็ลามไปทางตับโอ้โหทองมานนะยมตาเหลืองมองตาบ้าตาเหลืองเหลืองอ่อยเหมือนคนไม่ดีซ่านก็ดีซ่านนะั่นนะผิวก็เหลืองขาก็บวมถ้าถึงวันนี้เราทำไงกัน ตอนมีชีวิตยเออไม่กลัวหรอกแกเจ็บตายเ็เรื่องธรรมดาเห็นมาเยอะแล้วนะแต่พอถึงเวลานะโหมันปีกซ้ายปีกขวามันเจ็บปวดทรมานอย่างนี้นพอถึงเวลานั่งปฏิบัตินี่ย น, นั่งทนสักหน่อยนั่งฟังเทศฟังธรรมธรรมสวดมนา์ทนสักหน่อยละเอยียดมันมีอาการเจ็บปวดเวลานั่งปฏิบัติมันนั่งได้แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บหนึงจะมองหนึ่งจะมองตัวสันเจ็บเข้ากระโดง <LEGO> <im ans> เร า, าต้องเผยมีความอดทนอดแก่นสักหน่อยไปเดี๋ยวทําเรียนรู้เรื่องพวกนี้แหละทุกกายทุกใจทุกกายก็เกิดมาจากท้องแม่แรักตายเน่าเข้าลงแต่ทุกใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเวลาเลยเกิดดับเกิดตาวเกิดทําเกิดดาวเกิดดับเป็นทุกพระตายักทิ่มแสดงออกมาเป็นตัวพระญาติสี่ถิ่มแสดงออกมา เราก็ได้เห็นชัด ๆ, ๆเลยเห็นทุกครั้งเป็นปัญญาทุกครั้งคิดปรับลูปุ๊บคิดแับลูป๊เนี้ยมันก็อยู่เหนือโลกเป็นเหมือนกันโลกโลกเคียะมีสุขมีทุกข์มันก็ออกมาไม่สุขไม่ทุกข์รู้ซื่อๆตนะัวนึงเห็นธรรมชาติธรรมนาธรรมดาตามความเป็นจริงนะเมื่อวานก็เห็นคนไข้นอนเวลาเจ็บก็พลั้งปากโอ้ย โอ้ยมันเจ็บอะนะก็เลยบอกมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวเนะียถึงไม่เคยทำก็ลองทำดูเอาใจมาไว้ตรงนี้อย่ไปฝากไปแวนไว้าการเจ็บอาการปวดกับคนอื่นชีวิตส่วนตัวส่วนตัวตอนนี้เป็นชีวิตของเราได้ต้องมาดูเราเห็นอาการต่างๆเราเคยฝึกกรรมาฐานมามันก็ บ, บายอะนะถึงตรงนี้ มันเคยทุกมามากแล้วจากการปว่าธรรมพอมันทุกก็เจ็บปวดเวลาใกล้าตายก็เชื่อว่ามันผ่อนส่งไปมากมายแล้วเราจดใช้ถึงไม่ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์แต่มันก็ทําให้ความทุกข์เบาบางลงมากแล้วนับการถายก็ต้องผ่านเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นเวทนาณตามความเป็นจริงเห็นจิตคิดตามความเป็นจริงเราเห็นสภาพผ่านริมปรากฏตามความเป็นจริง จะให้มันเกิดการปล่อยวางได้จริงๆหรือว่ายึดถือหยิบมาใช้ใช้ระห ว, ว่างได้จริงๆแต่แลนนะขณะแต่แลนนะขณะอย่างการเคลื่อนมีการสั่งเราใช้สติสั่งให้มันเคลื่อนนะให้มันยกนะพอเรามาเจริญสติเราก็ฝึกสติอะไรอย่ามานั่งเฉยๆเห็นไลายไหนอะไร น, น, นั่งเฉยๆท้ายสุดมก็หายไปทีละคนสองคนไม่เข้าใจทำไหะ จริงๆแล้วนะโหมันดีมากตื่นตัวดีมากแต่ข้างในมันมีปัญหาปั๊บมันแสดงออกมาดันดีเลยคนขี้เกียจก็แสดงความขี้เกียจเกิดขึ้นไหมคนมีปัญหามีความทุกข์มากก็แสดงออกมาให้เราชำระล้างถึงโศปกบนทินเครื่องเศร้าหมองบางคนทนกับวิบากกรรมของตัวเองไม่ได้เพราะขาดการยารมิตรขาดครูบาอาจารย์คิดทำมาเองอยู่เราเอง ถ้าเดี๋ยวทายสุดก็ลำบากเวลาเจอก็อสอบสอบตกการนนินทายทุกแล้วก็สารเสิร์ญก็สุกแล้วได้มาก็ดีใจเสียไปก็แห้วเขียวเฉาหมดเรี่ยวหมดแรงเราก็เลยไม่ประมาทนะทำบัตรตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวตั้งแต่เช้า ประเดี๋ยวจะทำอะไรก็เป็นหน้าที่นั่นแหละเรียกว่าถือละถือเอาหน้าที่ก็เป็นปปุูมของเทวธรรมไปถ้าขาดสตินะแต่บางคนอาจจะทำไปทุกไปเหมือนตกนรกทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายก็ได้แต่ขอเรามาฝึกกรรมฐานแล้วทำดีก็ไม่ติดดีอย่างเงี้ยนะทำชั่วนี่ชั่วภนี่รู้เท่ารู้แทน เอามาใช้ก็ได้เป็นประโยชน์ก็ได้ mm. นะ่บางที จ, จะเกิดเป็นความดีก็ได้เหมือนกันใช้กายใช้ใจของเราเน็ดเหนื่อยบางคนบอกว่ามันมีวิธีการบางวิธีการนะบอกวา่าไปทํานำไมมันิด ธ, ธรรมชาติเ mm. นี่ยการปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันิด ธ, ธรรมชาติ mm. นะ่จริงๆแล้วถ้าจะมองไปมันก็ถูกแบบของเขาอะนะ แต่ก็เรารู้ว่าทําทไปทําไมนะการกินการขับถ่ายทําทํำไปทไไาําไมเป็นอยของธรรมญาติอย่างไรการอยู่การใช้ชีวิตหาอยู่หากินปัจจัย4 5 6 7 8เรารู้ว่าทำไปทําไมตามกรอของชุมชนที่พึงปฏิบัติกันเป็นยังไงอย่างพระสงฆ์นี่ต้องบิณฑบาตนะคิดจะว่าอะไรต้องบิณฑบาต ต้องห่มผ้าบางสกุลปจัจจัยสีไม่ได้ขนไหวบินดาบาดก็เข้าให้กาวชีวร์ก็ให้กาวไม่ได้ขนไหวหรือบางทีก็ไปเอามาจากซากศพเวลาก็พันห่อผ้าสบายวัฏจักรตัดเอามาตรงไหนไม่โดนน้าเหลืองตัดมาเอามาใช้เก็บเก็บเอาไว้มาถึงเวลาก็เย็บเป็นผืนถ้าเลยเวลาก็กลายเป็น ผ้าเจดเท้ากลายเป็นผ้าอย่างอื่นไปอาหารก็ได้มาโดยไม่ต้องวนกวายเสื้อผ้าก็ได้มาโดยไม่ต้องวนกวายที่อยู่คนเงี้ยไม่ต้องวนกวา ย, ายก็เลยได้มาโดยศีลด้วยทำศีนําสุขมาให้ศีนําปกติมาให้ศีนนาความเย็นมาให้มีศีนมีรมตามคุณธรรมที่มีมีธรรมะมีคุณธรรมละเอียดก็ได้ของประนีต มีคนระดมยาบยาก็ได้ของหยาบยาบมันก็ว่ากันไปตามสมบัติบัญญัติของใจคนแต่ละค น, น, ะนะยารักษาโรคก็เหมือนกันเราก็ดื่มน้ํามดเน่าะสงคมก็ไปอย่างนั้นดื่มน้ํำมดเน่าเราก็จึงไม่ได้ขนขไกวไม่ได้ขนขวายแล้วแต่เขาจะรักษาก็รักษาเราไม่ได้ขนขวายผลิตยาอยู่อะไรขึ้นมา ไม่ได้หวนไหวนะพระพุทธเจ้าให้ใช้ยาที่อยู่ในตัวเราน้ำมูดน้ำคูนไหนว่าน้ำมูดนี่นะอันนี้เกิดประโยชน์มากนปันสสาวะของเราหมักกรุกสมองดื่มแต่ตอนหลังก็มีรนาะการรักษาแพทย์แขนงต่างๆมากมายแล้วเกนตามธรรมชาติบ้างหรือว่าตามทางตวนตกที่เขา ใช้การใช้การปราบปลามจากทางตอนออกก็จการการป้องกันสร้างภูมิทันทานเพราะนั้นลักนณะของความรู้สึกตัวนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกกับปัจจุบันใจที่มันไหลไปเดียนาคต้วว่ารู้เท่ารู้ทัน มันก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาทรงนั้นระลึกได้นะจริงๆนะมามองดูอีกทีเนี่ยมันไม่ใช่คิดไม่ได้คนที่มีสติเนี่ยมันคิดได้นะแต่เจตนาคิดไม่ใช่คิดอดีตไม่ได้ยังไงกับเถียงทันทีมันมันไม่ใช่ถ้าเราพูดมาอะไรก็คือสัญญาจําได้หมายรู้ในอดีตนั่นแหละมันไม่ใช่คำพูดที่เรารู้ปัจจุบันขนาปัจจุบันหรอกไม่ใช่ ความคิดมันเป็นภาษาของอดีตเท่านั้นเลยในสมองของเราแล้วอย่างคิดถึงวันมาฆาบูชานะสองพันปีอย่างเงี้ยนะเราไปคิดทำไมก็เรียกว่าสติอาตีตาลมหรือว่าวันวิสาขาบูชาอาสาราบูชาเงินไปพูดถึงทำไม ไปพูถึงกันทำไมจริงๆเราเป็นสติที่รึกถึงอดีตก็เรียกว่าอาตีตังคยา น, นแต่ขณะปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปหาคิดเท่านั้นเองเพราะเดมันไปก็มันเองรู้ฐานเอาเองแล้วกันบางทีก็แวบถึงอดีตทำนึกถึงข้อมูลดีๆเนี่ยเป็นตัวปัญญานะแต่ขณะปฏิบัติเนี่ยให้เรามารู้ปฏิบัติก่อนเพื่อได้เห็นจีตมันไหลไปอะไมา อนาตังขยานก็มีมันรู้บางอย่างรู้แล้วถูกต้องด้วยแต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่าไปให้ความสำคัญมันมากมันจะเป็นความอยากอย่างคนชอบรู้อนาคตกันมีจนมีหมอดูมีการทำนายทายทักพวกนั้นซึ่งมันมีแต่ว่ามันเป็นฤทธิ์ของจิตเฉยๆมันไม่ใช่ว่าจะไปยึด ปฏิบัติเพื่อเป็นเจ้าลัทธิหรือว่าไปทำเดลฌานวิชามันไม่ใช่เพราะนั้นมันคิดได้ไม่อยาคิดไม่ได้ถึงเราไม่อยากคิดก็ไปก็มันเองอยู่แล้วตามกลไกของธรรมชาติจึงเป็นตัวปัญญามันจะมีการไขควรไปอดีตนิดหนึง่งแปลนาคตนิดหนึง่งมันก็ขอบทางแต่บวกก็รั้วบวกแต่ลบก็รั้วลบ แต่ว่าเราเดินความรู้สึกตัวเฉยๆอยนีตอนนั้นมันจะเกิดปัญญามันถึงเป็นวิปัสนาญาณอันนี้พูดเองนะพูดเองแต่ทําไปแตะแล้วก็หลงจมเข้าไปมรนยากายเป็นลึกลงลึกลงลึกลงลึกลงหลงนั่นแหละกายความหลงก็เป็นภพภูมิทันทีไปมาแต่ปับ๊บรู้เออนี่คือความคิดสมัยฐานการคิดก็ออกมา คนที่รู้รูปนามเนี่ยจะสัมผัสตรงเนี้ได้ชัดเะต้องรู้รูปทํานามทาก่อนรู้ว่าเอออาการของสติจะทำให้มันเห็นความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันเห็นกับมันเองหรอกไม่อยากเห็นไม่เห็นตรงนั้นเมื่อเราไปวัดเราก็ตกลงนี้จริงๆก็จึงว่าตรงนี้จุดนี้ยตั้งแต่เราทุกมาเรามีปัญหามาแล้วเข้าวัดมีปัญหามา เราก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดนักบวชนะชุดชีพรามชุดพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรก็ตามหรือว่าเวลาที่เราเคยอยู่กับสิ่งที่เราชอบที่เราคิดว่าทําแล้วจะมีความสุขจอทั้งมันเห็นเป็นปัญหาเห็นเป็นความทุกขนะ์เบื่อหน่ายมีโลกเบื่อโลกมีงานเบื่องา น, ม, งานมีบ้านเมื่อบ้านมีทรัพย์เมือม่อเบื่อทรัพย์ กะนั่งมีชีวิตของตัวเองแล้วก็เบื่อชีวิตของตัวเองนะนะเบื่อความเป็นอยู่นขนความแบบโลกโลกทั่วไปแล้วก็พาเธอมาอยู่วันถึงตรงนี้แล้วก็ควรจะศึกษาอย่างตรงไปตรงมาก็าคือไม่เบี่ยงเบนไม่เฉยเฉยไม่ละลละลัง ห, หันเรียนนขวางจนขาดความมั่นอกมั่นใจไม่ตกกระไดพลกระโจน เมืองตาเหลยวๆตาตามก็คือฝึกในรูปแบบกายเคลื่อนไหวใจรู้เหมือนกันที่เมื่อวานเราฟังหลวงพ่อกำเขียนนั่นนะหลวงพอ่อนีท่านสมัยผมรละมามาอยู่ใหม่ๆนี่บอกเลยนะท่านยิงอย่างเดียวเลยให้เคลื่อนไหวรู้สึกเหมือนกับเมื่อวานที่เราฟังกันนะเคลื่อนไหวรู้สึกมากเตั้งแต่รับรองได้ประโยชน์แน่นอนจิตของเราที่เคยหลงประโยกับปัญหาหลงอยู่กับความทุกข์เก่าๆ รู้หลงไอยู่ความสุขเก่าๆมันก็มีเหมือนกันพอเรากลับมารู้สึกตัวเป็นปัจจบุบันมันจะสอนจิตทันทีจิตที่เคไหลไปในความคิดเนี่ยให้รู้ว่าไหลไปโดยที่ไม่ได้เจตนานมันเป็นความทุกข์แน่นอนหรือมันเป็นภพภูมิที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานเพราะมรรคผลนิพพานมันมีหนึ่งเดียวมันไม่มีคู่จริงๆคำว่ารู้สึกตัวไม่มีคู่ มันมีคู่ตรงไหนเวลาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะพอคู่มันคือพบคือภูมิเทวภูมิเป็นสุขติภูมิหรือว่าทุกติภูมิลบก็เป็นทุกติภูมิคนคิดแบบลบๆคนคิดแบบบวกๆก็เป็นสุขติภูมิคิดแล้วก็มีความสุขถ้าปารนาความโสดคิดดีเข้าไปในโลกนี้มีอะไรคิดมองหาแง่ดีอย่างเดียวเลยแต่มันก็คือพบภูมิเทวภูมิซึ่งมันก็ไม่ใช่ความจริง ความจริงมันไม่แย่กว่าดีหรือไม่ดีดีแล้วก็รู้สึกสัมผัสแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกสัมผัสแล้วก็รู้สึกตรงนี้แหละมันถึงเสมอมีความเสมอมีความยุติธรรมบางทีดีก็ไม่ต้องให้รางวัลก็ได้บางทีชั่วก็ไม่ต้องลงโทษก็ได้ตรงนั้นแหละจึงไม่ต้องมีคุกมีตารางเพราะมันก็เป็นเช่นนั้นเองกรรมใครกรรมเราแล้วกัน ก็เลยยุ่สบายเราก็ยงเราไปดูโลกเห็นโลกเห็นคลื่นมันซัดเข้าซัดเข้าหาฝั่งลูกแล้วลูกเราเดือดขึ้นรุนแรงมันเดืดขึ้นมาแบบนุ่มนวลๆราบเรียบเลยสภาวะผู้ดูดูแลเห็นเห็นแล้วไม่กลับไปเป็นมันจึงเป็นการเดินทางอเหนือสุขเหนือทุกขนะ์ก็คือความเป็นปกติของจิตนั่นเองมีมากแล้วว่าเออ ใ้ว่าเกิดอิสรทภาพทางจิตวิญญาณขึ้นมาอยู่กระสุกก็ได้อยู่กระทบกระไ ด, กกได้ก็ไม่ได้หลงก็เห็นตามความเป็นจริงเพราะว่ามีความรู้เนะ้อรู้ตัวเห็นสัตว์วิเห็นได้ยินสัตว์วิยินกลิ่นสัตว์วิกลิ่นรสสัตว์รสเนี่ยนีสัมผัสสัตว์สัมบัติะี่อันนี้ก็พูดให้คนที่ยังไม่ป่วยมากแล้วก็ไม่ได้ มือนกัว่าทุกจนกระทั่งปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับเมื่อวานก็ชื่อเลขานะแต่ว่าก็นาเห็นอกเห็นใจให้รู้สึกตัวอยู่นิดหนึ่งแล้วก็พูดถึงสภาวะของกายที่มันต้องทิ้งแล้วแหล ะ, ะเหมือนกับเสื้อผ้าเก่าๆที่เราจะต้องถอดล ะ, ะส่วนจิตใจนี่ก็คือต้องรู้สึกตัวนะ จะฝึกตอนป่วยมันก็คงจะไม่ไหวครับเวทนาันก้าเกินนะอย่างเราเรานี่ฝึกพอได้อยู่เพราะว่าเวทนาไม่แรงมากนะเราก็จึง่ะรวมกันเดินทางสู่การบนทุกต่อไปไปใช้ความรึกตัวจนะเป็นกริยธรรมเราก็เดินต้งเหมือนาําว่ามันละเยียดลุ่มลึกลงไปกับมันเองเห็นแล้วนะทุกกายทุกใจ เห็นเป็นอาการตามความเป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องหิวก็ไปหากินอย่างนั้นนะไม่ต้องนขนไกวามากอยู่แบบชาววัดชาวากินข้าวกลบนบาดไปส่วนจิตใจของเราตัวใครตัวเราล่ะนะเดินทางกันก็คือมีราคาตัณหากิเลสความโลภความกดความหลงแล้วว่ออกมาจากการเหล่านั้นมันเกิดจากความคิดที่ปรุงแต่ง เราก็เปลี่ยนเป็นความรู้นนะรู้ตัวที่ฐานกายกันจังสติมเด่นขึ้นมาเป็นฐานของสติเมื่อไหร่นะเออตัวนั้นก็เพึ่งใจของตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตะ์อั น, นท้ายสุดนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านปนะระจงมีการเปิดตามกันแล้วกนะ็มีความสุขมีความสุขมีความสุ ข, สขนะถ้ามีทุกข์ามาเป็นปัญญาก็แล้วกันนะแล้วก็ขอให้นะปัญญายายของเราก็พาเดินทางสุด ข, ขั้นพ้นทุกข์นะ มีแต่ความสุขเกษมสราสราในนิพานลยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกบันเทอ